เมื่อกี้ชวงไปทานเข้าใครประเมินตัวเองสําเร็จละ<ม>ลากกิเลสได้กี่เปอร์เซ็นต์ลวคุณมนเหลือเท่าไหร่ตัวไหนละแล้วของพ่อค่ะมันไม่ได้ประเมินค่ะแต่ว่ามนก็ได้เห็นได้ดูบ้างตอนระหว่างทานนะคะได้เห็นบ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ประเมินทั้งปีอะ่ะเห็นอะไรอะคือคือได้รู้ตัวรู้กายรู้ใจบ้าง<ม>ในตอนนั้นนะคะเหรอแล้วมันพัฒนาขึ้นไหมปีหนึ่ง ถ้าประเมินทั้งปีนะคะหลวงพ่อมนว่ามนก็มันมีสติรู้ถี่กว่าปีก่อนๆนะคะเออดีขึ้นกี่เปอร์เซนต์ตอบได้ไหมถึงยี่สิบไหมคะไดมาแอ บ, บถามข้อสอบลองประเมินต <ME> <ด>ัวเองดูแล้ว่าขาวมันเอากันบ้านวันนี้แล้วกันนะครับวั น, นวันนี้มนมีกําลังมากขึ้นกว่าอาทิตย์ที่แล้วไหมคะใช่ะะมีแรงไม่งั้นตามันจะตกลงมาข้างล่างอยู่เรื่อยเลยะคะ่ะมองหลวงพ่อมันไม่ยอมมองนะคะดูไปนะค่ะขอบคุณค่ะ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 <A> เอาวันอยังติดซึมะคะ่ะแล้วก็ไม่ค่อยช่มชื่นอะคะ่ะแล้วไงอะให้หลวงพ่อช่วยคอคะ่ะไม่ต้องคออสมน้ำหน้าดีกว่า <c oughs> <c oughs> ดูมันสินะรู้ด้วยกว่าเป็นกลางใจไม่เป็นกลางใจไม่ชอบอให้รู้ทันที่ใจไม่ชอบอต้อง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 หเห็นช่องความคิดที่มันไลหลเข้าไปคิดแล้วมันหมุนวนด้วยความเร็วสูงจนกลัวตายครับมันต้องถอยออกมาเพราะเห็นว่าตรงนี้บ้านแน่ๆนี่ครับอืมถอยก่อนยังไม่ถึงเวลาแตกหักนะแต่ตอนถึงเวลาแตกหักเราจะไม่ถอยแนละวจะตายก็ตายจะบ้าก็บ้านะา่างตังจิตก็ดีกว่าเมื่อวานครับผมก็ดูสภาพได้ดีกว่าเมื่อวานครับเ อ, อ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 เขาที่แล้วหลวงพ่อให้การบ้านไปว่าให้ไปดูว่าเวลาคุยธรรมะเนี่ยใจมันจะพ่องผอง hmm. หนูก็นึกว่าเออหลวงพ่อคงไม่รู้หรอกว่าปกติหนูอยู่บ้านคนเดียว hmm. ใครจะเอาเหยื่อไม่ไม่มีเหยื่อไหมหนูคุยธรรมะ hmm. แล้วก็ทำงานบ้าน ก, ก็คือดูของตัวเองไปเรื่อยก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสดูออคุยธรรมะแล้วใจจะพอง hmm. ก็จนวันนึงก็ทางานบ้านไปแล้วก็แวบ วิเราคุยกระส่งกันบ้านกับหลวงพ่อไม่เว้นแต่ละวันเลยแล้วก็ไปเห็นตัวใจที่มันพองขึ้นมามว่าเออสงสัยจะใช่ตัวเนี้มั้งคื อ, อมไม่ต้องเป็นใครแล้วก็คุยของเราอยู่คนเดียวใช่คุยเองก็ได้นะ <c oughs> ก็เลยว่าเอองั้นคงใช่แล้วแล้วเสร็จแล้วเนี้ยก็ตัวสำคัญไม่ใช่อยู่ที่ว่าคุยกับใครแล้วพองแล้วตัวสำคัญคือมันพองขึ้นมาแล้วให้เห็นหลวงพ่อพอง<ม>ตัวนั้นมันติมันเป็นมันเป็นความพอใจหรือว่ามันเป็นความสุขอะคะเป็นความพอใจ มันมีความสุขมันก็เลยพอใจมันเป็นอกุศลใช่ไหมคะเป็นกุศลแล้วก็ไปยึดติดหรือเปล่าคะไปยึดติดเป็นกุศลนะไม่ใช่อากุศลคิดถึงหลวงพ่อแล้วเกิดอกุศลที่มันรับไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> มันต้องเกิดกุศลนะหลวงพ่อคะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่หลวงพ่อบอกหนูว่าหนูเนี่ยไม่ควรเข้าหมวดพ่อพูด ก, กับหนูเลยว่าอย่างหนูเนี่ยไม่ไปดีกว่าเข้าคอสเนี่ยไม่ใช่ไ ม, ไม่ใช่ไม่ไปก็ได้ไม่ไปก็ดีอ <c oughs>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 มันก็หลุดออกมาปุ๊บ ก, ก็เลยอ่าเริ่มใช้เหตุผลแล้วว่าจะไปหรือจะไม่ไปก็เลยก็เลยก็คิดว่าเอาคำหลวงพ่อแล้วก็ดูกับตัวเองที่ดูภาวนาแล้วเป็นยังไงอะค่ะก็ตัดสินใจแล้วแล้วก็ทีนี้ล่าสุดเนี่ย <c oughs> สิบวันมาเนี้ค่ะก่อนหน้าจะมาเนี่ยสภาวะแต่ละวันมันบางวันมันเหมือนรู้ละอ๋อเพินแล้วลรู้สึกไหมค่ะอืมต้องคุยน้อยๆนะคุยธรรมะไม่ดีค่ะ เอางี้หลวงพ่อสรุปให้ ใ, ให้คนสรุปเดี๋ยวกว่าจะครบสิบวันนานที่ภาวนาตอนนี้ดีแล้วล่ะไปดูต่อนะมีติดอะไรไหมคะหลวงพ่อติดตรงไห น, นที่เร า, าบร่นบานบ่นบ่นบนะ่นบ่นบ่นบ่นบ่นบ่นบ่นบ่นบ่นบ่นบลนบ่นบ่นบ่นบ่นบน้าน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 ทราบมีสติรู้ว่าเราทำผิดจะทำผิดศีลแต่มันห้ามไม่ได้อะจ้าค่ะก็รู้ทันนะถ้าจงใจไปทาเราก็ต้องยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นน ะ, ะผลของการผิดศีล น, นี่เป็นความทุกข์แล้วก็มีแยกแยะ แ, แต่ละอย่างออกไปมีความแตกต่างกั น, นอย่างถ้าผิดศีลข้อหนึ่งะคนเขาก็รังเกียจ เ, เขากลัวลผิดศีลข้อสองคนเาก็ไม่อยากเข้าใกล้เขาไม่ไว้วางใจใช่ไหม ผิดศีลข้อสาเนี่ยคนเขาก็ดูถูกเยียดหยามเอาผิดศีลข้อสีไม่มีใครเขาเชื่อถืออะไรเงี้ยนะคือถ้าเราทาไปเราก็ต้องรับผลนั่นแหละนะเจ้าค่ะเออแล้วจะขอเรียนถามหลวงพ่อว่าตัวเองต้องสมควรมีวิหารธรรมมเจ้าค่ะมีสินะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปนะรู้สึกที่ร่างกายเคลื่อนไหวใช่เนะจ้าค่ะรู้สึกไปนะเจ้าค่ะเออจะกบเรียนหลวงพ่อว่าทุกครั้งทุกคืนที่สวดมนต์ก็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 เลขสิบะป8ค่ะมาจากจังหวัดลำพูนค่ะขอโอกาส2เรื่องค่ะเรื่องที่1คือกราบขอขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะที่ทำซีดีไว้ให้ฟังเจ้าค่ะเหมือนมีหลวงพ่ออยู่ด้วยทุกวันเจ้าคะหลวงพ่อไม่ได้ทำเองหรอก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 ครูบาภวมาจากนะมีวัดท่านชื่อวัดพระพุทธบาทตกากผ้าคนก็ไปแซวท่านนะว่าจะเชื่อได้ไงพระพุทธบาทใครมันจะเหยียบหินเป็นรอยได้วันที่คืน ด, ด, ดีท่านเลยเหยียบให้ดูนะท่านเหยียบไว้ที่หัวทางจงกลมที่กุฏิท่านตอนนี้เขาไปสร้างมนดบเรามาไว้เหยียบสลึกเลยเหยียบลงไปลึกมากๆเลยอันนั้นใช้กสิณนะกสิ น, นะสนเพ่งให้อ่อนก่นนะอนแล้วก็เหยียบ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 ปีนี้รู้สึกพอดูจิตแล้วรู้สึกมีความสุขคื อ, อคำคำพูดของหลวงพ่อที่บอกว่าเรียนรู้ทุกข์แล้วมีความสุขอะค่ะเป็นยังไงคือเข้าใจมากขึ้นค่ะดีน ะ, ะถ้าเมื่อไร่รู้ทุกข์เขี่ยมแจ้งนะจะมีความสุขที่สุดเลยคือจะเจอนิพพานนิพพานเป็นบรมสุขค่ ะ, คะขอบพระคุณค่ะมาสมกันบ้านแค่นี้ค่ะดีสรงเย็นนี้ชอบส่งน้อยๆอยเบอร์แปดสิบสามยกมือ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 มันสัการหลวงพ่อกับช่วงของหลังนี้งานงานภาระทางโลกมากแล้วก็เป็นทแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะปรีกเรียกได้ทาให้แต่ว่าก็มีการปฏิบัติตามรูปแบบแล้วก็มีการเจริญสติรู้ตัวในชีวิตประจำวันเท่าที่จะทำได้นี่นผมไม่ไม่แน่ใจตัวเองว่าปฏิบัติเนี่ยมันยังยังอยู่ในร่องในรอยหรือเปล่าครับอยู่สินะแต่หลวงพ่อถามที่เธอจิตขณะนี้เป็นยังไงตืนต้นครับ แล้วมีอะไรอีกมีโมหะโอ้ตอบถูกใช้ได้ใช้ได้นะที่ทํามาเนี่ยสอบผ่านเลยครัได้ทดสอบด้วยข้อสอบเนี้ยคือเห็นสภาวะเป็นนะของคุณต้องทําอีกนะใจไม่ตั้งมั่นใจฟุ้งไปต้องแบ่งเวลามีวินัยในตัวเองทุกวันแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติบ้างเราเอาเวลาไปทํามาหากินอะไรเนี่ยเราทําเพื่อคนอื่นหลอดเลยแต่ไปนี้เราต้องทําเพื่อตัวเราเองบ้าง โดยการภาวนาวันหนึ่งสิบห้านาทีก็ยังดีแต่ใจมันจะได้มีแรงมากกว่านี้เบอร์เก้าสิบยกมือเก้าสิบแ ถ, แถมนิดนะคะของเขาอะนะคะเขาเขาทำในรูปแบบตอนก่อน น, นอนนะคะหนูน่าห่วงกลัวว่าเขาจะติดสมถะจริงๆเขาควรจะเพิ่มด้วยซ้ำใช่ไหมคะให้ทำกลางวันหรือทำเช้าเช้าอะไรเงี้ยนะกลางคืนทำแล้วมันง่วงละอ๋อโอเคค่ะเพื่อคืนค่ะไม่มีคนห่วง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 ลุงพ่อที่เคารพครับโอ้ว่าไงลูกสิทธิทรักสิ้นปีไม่รู้จะไปไหนก็เลยมาหาหลวงพ่อครับอ๋อไม่มีที่ไปตอนนี้มาหาหลวงพ่อเนะี่ยดีนะครับไม่เสียค่ามอเตอร์เว๋ยแล้วไงก็ปีนี้ของผมเรียนกับหลวงพ่อในเรื่องของการทำความรู้สึกตัวครับก็รู้อย่างเดียวแล้วก็ พอดีเมื่อวานนั้นทอดปลาทอดปลาได้ใจลอยแล้วก็ปลามันตกลงไว้น้ํามันกระเด็นก็ได้ความตกใจก็ตัวเองก็ถอยกระโดดเยงเห็น<ม>ตัวเองกระโด ด, <ม>ดเห็นแล้วก็เห็นความตกใจเห็นความตกใจเสร็จปับ๊บก็เห็นความตกใจมันหายไปยแล้วก็เห็นอัตตาว่า้ตัวเรานี่มันรักตัวเรานี้ที่เราทําอย่างนั้น่ะออื ซึ่งผมไม่เคยเห็นว่าความเป็นตัวตนมันเป็นอย่างนี้ตัวกูเป็นอย่างนี้เพิ่งจะเห็นเมื่อวานผมเห็นด้วยจิตถูกต้องไหมครับหลงถูกต้องนะเห็นถูกต้องเลยเห็นไหมมันเกิดเองครับแล้วมันก็ดับลงไปเองแล้วเราก็ตัองผมมาหาหลวงพ่อตั้งแต่ตอนต้นปีต้นปีผมก็เลยรู้ว่าเอะตอนต้นปีที่เราที่เราเรียนกับหลวงพ่อแล้วเราพยายามที่เราจะปฏิบัติเราทําด้วยเจือด้วยโลภะอแล้วมามาช่วงปีหลังมาคือมาช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยผมทําด้วย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 สติปัญญามันจะเกิดเองอยนะ่อยางมันเห็นร่างกายกระโดดใช่ไหมตัวที่โดดเนี่ยไม่ใช่เราเห็นความกลัวใช่ไหมความกลัวไม่ใช่เราเห็นความรักตัวเองแต่รักรักตัวเองน้ํามันเดือดเดือกระเด็นมาใส่ก็ต้องโดดลบนะอย่ามัวแต่พิจารณาความรักตัวเองสติมันมาวับแล้วมันขาดแล้วนั่นแหละมันขาดเลยเห็นน้ํามันกระเด็นเห็นพุงเราลอยอืแเราเข้าใจเลยอ๋อเป็นอย่างนี้เองเออเป็นรูปเลยฮะเออนะครับขอบคุณหลวงพ่อครับนั่นแหละภาวนาถูก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 ครับกับนเทศการหลวงพ่อครับที่ผมปฏิบัติมาระยะหนึ่งครับตอนนี้ผมรู้ถูกต้องหรือยังครับจิตเป็นยังไงขณะนี้ตอนนี้มันรู้สึกมันกดถูกต้องนะดูเป็นแล้วก็ดูไปใช้ได้ครับกับคุณครับเขาอากาศให้แฟนมาส่งการบ้านเขาอากาศให้สักคนนะครับที่ไปชุมอนุมันไหมวันนี้มันเกิดเขาอยากให้เขามาวันเกิดนยกเว้นใหมีวันเกิดนะ กลาวนมรสการหลวงพ่อค่ะก็คือฟังฟังสิดีหลวงพ่อมามานานแล้วค่ะไม่เคยไม่เคยส่งกันบ้านเลยอกลัวค่ะจะกลัวสิกลัวทําไม <laughs> ก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาม า, มากับตรงพ่อแล้วก็จะขอส่งกันบ้านค่ะอส่งมา <laughs> <laughs> คือที่ที่ปฏิบัติมาเนี่ยมันบางทีมันจะเห็นสภาวะที่ว่าบางทีคิดนะคะควา ม, มคิดเห็นคิดคิดปุ๊บพอพอรู้ว่าคิดเรื่องนี้เสร็จ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 กับทุกมากกับทุกน้อยเออดีแล้วแหล<ฮ>ะถ้าทุกมากก็ไม่ชอบมันก็รู้ทันเฉยๆ <ฮะ S 1> แล้วชอบมันก็รู้ทันนะให้รู้ทันใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบบวกเข้าไปอีกอย่างเราที่ปฏิบัติมานี้ต้องแก้ไขอะไรไหมคะไม่ต้องแก้นะแต่อย่าดื้อกับแฟนนะแฟนเราพอนาเก่งกว่าเราเขาบอกก็เชื่อเขาหน่อย <ฮะ S 1> ใจเขาถอยออกมาอยู่ข้างนอกแล้ว <ฮะ S 1> ใจเขาแยกออกจากขันละเอาเบอร์ร้อยเก้ากลับขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ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 แต่ผมก็รู้ทันน ะ, จะใจถ้าไม่ชอบรู้ทันนะแต่ใจของคุณค่อนข้างเป็นกลางนะใชผ่ผมไม่ค่อยไปทําอะไรกับมันเท่าไหร่นั่นแหละใจของคุณเป็นกลางผมทนดูมันไปอย่างเงี้ยเนี่ยเราคือพัฒนาการของเราแหะเราสามารถรู้ทุกได้ด้วยใจที่เป็นกลางในโลกนะเบื้องต้นหัดดูใหม่ๆจะมีความสุขเยอะแยะเลย ด, ดูไปดูไปมันจะเห็นความจริงของโลกในโลกแต่ไปด้วยความทุกข์แต่ว่าใจเราจะห่างโลกออกไปเรื่อยๆนั้ในใจเราจะห่างความทุกข์ออกไปเรื่อยๆ ของ<ด>คุณใช้ได้นะดีครับขอบคุณครับหลวงพอ่อเบอร์สี่หยกมือกลับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะคือหลวงพ่อเคยบอกว่าติดนิ่งว่างใช่ไหมคะแล้วก็คือตอนเนี้คือเหมือนดูเผลอได้แต่ว่าบางวันก็หลงไปบ้างไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ก็ไม่กล้าไปทําสมาธิใช่ไหมคะแต่ตอนหลังเริ่มมาทําใหม่เพราะว่านอนไม่หลับทา <ำ S 1> <ทำ S 2> บ้าง น, นะทําแต่ว่าถ้าใจน้อมไปหาความว่างก็รู้ทันมัน ทำเพื่อพักผ่อนถ้าใจเรานิ่งๆซึมๆไปนะนิ่งๆหรือมีแต่ความสุขเฉยๆเยิ้มๆอยู่นั้นติดแน่นอนแต่ถ้าใจเรายังเคลื่อนไหวก็ยุก็ยิกไปเรื่อยๆยังไม่ติดหรอกตอนนี้มันฟุ้งอะฟุ้งให้รั่วฟุ้งให้เป็นกลางกับความฟุ้งไว้ไม่ห้ามนะไม่ใช่ว่าต้องดีแล้วขอคำแนะนำหลวงพ่อคฟุ้งให้รว่าฟุ้งนะรู้ว่าทุกอย่างด้วยความเป็นกลางใช้หลักนี้แหละ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 บางคนบางคนนะกลัวลูกเลยนะใช่บางคนนะใจลอยปุ๊บลูกบอกเลยเพลอแล้วพ่อโอ้พ่อนี <l ihat> <l ihat> ิสยองดีแล้วนะครับแล้วปีนี้ยังยังถูกมนุษย์จับไว้ไหมครับหลวงพ่อครับถูกน้อยลงนะถูกน้อยลงนะครับดูกเปล่าครับมันถูกน้อยลงแล้วรู้สึกไ้มใจเราเป็นอิสระมากขึ้นโปร่งลงเบามากขึ้นดีขึ้นเยอะนะท่านแม่ครับขอบพระคุณครับนี่โรกเสร็พหลวงปู่สิมนี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 ดูด้วยเหตุผลหรือหรือดูด้วยความเคยชินด้วยความเคยชินครับด้วยอารมณ์ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันรู้จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่จริงสิถ้ารู้จริงมันต้องขาดนั้นอันนี้เรารู้แต่ว่ากิเลสยังย้อมจิตอยู่ไปฝึกอีกถ้าฝึกดีๆนะลูกจะได้มีความสุขหลายบ้านนะชอบตีลูกนะยิ่งตียิ่งดื้อบางทีกอดมันมากๆนะมันอ่อนโยนลงแต่ของคุณโดยภาพรวมดีขึ้นนะรู้สึกไหม ใจคุณตรงโล่งเบาดีขึ้นอย่างเรื่องลูกมันเป็นเรื่องเซนสิทีฟบางคนจะมีเรื่องเซนสิทีฟเป็นบางเรื่องกะคนนี้นะจะโมโหง่าย<ม>เขาไม่ทันทําอะไรก็โมโหแล้วบางทีแต่ละคนมันจะมีจุดอ่อนของแต่ละคนงั้นสมมติว่าคุ้นเคยที่จะโมโหลูกไม่มโมโหบ่อยไปดูเอานะใน ว, วันหลังลูกจะได้มีความสุขขอบคุณครับเดี๋ยวลูกจะได้มาขอบคุณหลวงพ่อร้อยสิบสี่ยกมือร้อยสิบสี่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 คิดแล้วพอเรารู้ปุ๊บนี่มันก็ไปเรื่องอื่นอีกแล้วล่ะคะ่ะไปเรื่องอื่นก็ดูไปอีกเราดูไปดูมาแล้วเราก็เลยเลิกดูไปดู อ, อย่างเอง <laughs> ดูบ่อยๆสินะคือตอนนี้ไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขหรือทอยังไงบ้างของโยมดีขึ้นเยอะแล้วนะเ<ด>หลือการประคองจิตอยู่นิดเดียวเอ ง, องนในภาพรวมนั้นดีขึ้นแล้วเอาห้าสบห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 หูหูดับนะฮะแล้วก็อยู่เหมือนกับล้มอาหูอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขยับตัวไม่ได้นะครับตัวมันก็จะลอยออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปเจออะไรบางอย่างเนี่ยก็เลยทำให้หยุดนั่งไม่การนั่งต่อครัก็ก็ไม่ได้นั่งมาเป็นนานแล้วครับหลายปีแล้ะก็ช่วงหลังๆก็ใช้วิธีการนั่งสั้นๆคือไม่นั่งยาวก็อยากจะเรียนปรึกษาหลวงพ่อว่าจะมีวิธีการยังไงบ้างที่จะก็ต้องพัฒนาต่อไปนะสู่การเจริญวิปัสสนา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 แล้วจิตนี้ไปจากลมแล้วรู้จิตนี้ไปจากลมแล้วรู้ไม่ใช่กําหนดแล้วจิตนิ่งอยู่ที่ลมนะถ้ากําหนดแล้วจิตนิ่งอยู่กับลมเป็นสมถะแต่ถ้าเราเอาความรู้สึกนึกคิดหรือว่าการกระทําหันต่างนี้ไปตั้งที่นั่นจะจะจ ะ, จะได้ไหมครับไม่ไม่ดี <Wow. S 1> นะเป็นสมถมะมันจะเจือด้วยความจงใจวิปัสสนาแท้ๆเนี่ยบางครั้งก็รู้กายบางครั้งก็รู้เวทนาบางครั้งก็รู้จิตไม่ใช่รู้อันเดียวนะ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 เห็นคะ่ะช่วงเดือนแรกน่ะจะเกิดโทรศสา์มากมขนาดแค่ฟังซีดีก็รู้สึกอิจฉา<ม>คนที่ได้ถามอะไรอย่างนี้คะ่ะ<ม>แล้วก็จะมีพุทโธอยู่ตลอดนะคะช่วงเ<ม>ดือนละแล้วพอเดือนที่สองเนี่ยรู้สึกมันหายไป<ม>ตัวพุทโธนะคะแต่ก็ยังตามรู้อยู่ตลอดแล้วก็มีความรู้สึกว่าความทุกข์มันสั้นลง ม, มันตัดได้ลง<ม><ม>แต่ก็ยังยังเหมือนกับมันค้างค้างอยู่ยังไม่ได้หมดไปอะคะ่ะอ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 ส่วนมากไปเข้าคอร์สแนละ้วโดนบังคับทำโน้นทํานี้อนะไรเงี้ยจริตนีิสัยคนไม่เหมือนกันอย่างตอนเนี้เราควรจะเดินเขาก็ให้เรานั่งอนะไรเงี้ยลาบากแล้วก็ชอบมาสอบอารมณ์เรานะทาให้เราตก ป, ป, ปัตุเปไปอย่างนี้เท่ากับกว่าคือให้ทําความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ขึ้นหวั่นรู้สึกไปนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ไปหาที่ภาวนาอย่างตามวัดที่เขาไม่มีไม่จัดคอร์สอะนะขอบพระคุณค่ะวัดที่เขาไม่ยุ่งอะดี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 ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะปฏิบัติบูชาแด่พระพุทธเจ้า<อ>และเป็นอาจาริย่าบูชาให้แกหลวงพ่อค่ะเออดีนะชอบนะอย่างนี้ชอบตาทุวันนี้จะขอระไงานานึกว่าจะไม่ส่งกันบ้านกำลังจะให้คนก็ยกมือแล้วค่ะออตอนนี้เห็นสภาวะที่หลงขณะเดียวกันก็เห็นที่มันแว บ, บๆตลอดด้วยตามไม่ต้องถามแล้วนะภาวนาเป็ดแล้วไปด่วค่ะขอบคุณค่ะ50าสหบสี่ อาว่าไปครับในวัธการหลวงพ่อครับมาจากหานใหญ่ครับมาครั้งแรกอืก็ฟังซีดีแล้วก็อยากจะขอความเมตตาครับว่าให้หลวงพ่อช่วยพาดูสภาวธรรมให้นิดนึงครับอย่างใจเราก็สับกระสายดูออกไหมครับเป็นกระสับสายเราก็รู้เราข่มเอาไว้บังคับไว้ดูออกไหมครับตอนนี้เรากดไว้นะเราก็รู้นะตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหมไหลบูบไปนะเราก็รู้เนี่ยจิตสงสัยทราบไหม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 มีอะไรอีกไหมไหนไหนก็มาไกลครับผมการปฏิบัติในรูปแบบของคุณกระดุกดิกไว้นะเคลื่อนไหวไว้ดูเล่นๆนะอย่าเดินแบบเครียดๆนะยามเคลื่อนไหวกระดุกระดิกร่างกายแล้วก็ใจของเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายมันเดินร่างกายมันยืนอย่างเงี้ยค่อยๆแยกกายแยกใจแยกสบายๆเอาเบอร์ห้บสี โยมที่มาจากหัใจเอาหนังสือเอาซีดีไปนะใฟังแล้วก็สังเกตใจไปเรื่อยๆนมัชการค่ะหลวงพ่อก็ปีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะรู้สึกว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากๆเลยอะค่ะชมตัวเองก็ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆก็มั็นเรื่องจริงอ่ะเห็นไหมเราต้องรู้จักให้กำลังใจตัวเองถูกต้องแล้วแล้วไงค่ะ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 ดีฝึกไปขอบคุณค่ะ15กับ35มหาแบบนำมัส ก, การท่านอาจารย์ค่ะอายุมากแล้วค่ะจะจะเข้าคิวก็ไม่ทันแล้วล่ะค่ะยอมอย่ากังวลน ะ, ะนนจิตโยมเนี่ยภาวนาไม่ยากเจ้าค่ะจิตมันพร้อมที่จะตื่นอยู่แล้วเจ้าค่ะรู้สึกไหมรู้สึกตัวสบายสบายรู้สึกไปเร่อเจ้าค่ะใจมันตื่นขึ้นมาแล้วจะไปกังวลอะไร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 พัฒนาการมันดีขึ้นหรือเปล่ารู้สึกตัวเองไหมล่ะรู้สึกมากเลยค่ะแล้วเห็นกิเลสบ่อยไหมกิเลสเยอะฟุ้งด้วยเห็นความทุกข์สั้นลงไหมทุกแทบไม่มีค่ะคือมองเห็นว่ามันเป็นทุกข์แต่ตัวหนูไม่เข้าไปทุกข์ออนะอยู่ห่างๆนะค่ะแต่ว่าตอนเนี้ผิดปกติดตอนนูออกไหมตื่นเต้นมากนะใช้ได้ไปไปดูเใจใจมันไม่ตั้งมั่นตอนนี้แล้วแล้วไงหนูหนูอยากจะขอพ่อหลวงพ่อว่าหนูอะ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 เมื่อก่อนนะมีทหารคนหนึ่งนะไปขอพรไปขอพรหลวงพ่อเที่ยงวัดม่วงชุมตอนนั้นเขานิมนต์ท่านมาพระสุทัศน์มาปลุกเสกพระเครื่องนี่ทหารคนนี้เป็นพันเอกพิเศษก็ไปขอหล ว, วงพ่อครับผมเป็นพันเอกพิเศษมานานแล้วขอให้ผมเป็นนายพลสักทีเถอะท่านบอกโง่อย่างเงี้ยถึงไม่ได้เป็น <laughs> อยากเป็นนายพลก็ต้องไปขอนายสิท่านมาขอพระ <laughs> อยาก เข้าคิวไปผ่าซอแกก็ไปขอคุณใหม่นะงี้หนูโง่สิครหลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้ว่าตรงๆนะทางปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะวันที่ข้างหลังสุดยกไว้แล้วก็เบอร์62หลังสุดนะยกไว้ต่อไปพวกเราคนไหนอยากยกนะก็าหาเบอร์ไว้คนไหนไม่อยากยกก็ไม่ต้องพกเบอร์เกกะ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 ถามว่าพวกมึงจะเอาไงอะไรเงี้ยหนูก็มองไปข้างหลังก็เห็นอาชีวะมาอีกเต็มเลยอะไรเงี้ยค่ะเ hmm. สร็จแล้วมันเห็นความคิดเข้ามาทีละข้อทีละข้อว่าให้ตัวเองทํำยังไงอะไรเงี hmm. ้ยค่ะเสร็จแล้วก็ยืนเฉยๆแต่ว่าไม่กลัวไม่ขาสั่นอะไรเลย hmm. แต่โรู้ว่าใจเต้นแรงอ hmm. แล้วสักพักก็ขยับมาสองสามเแล้วเขาก็เอาก้อนหินปาลารถเมยอะไรแล้วสักพกักเขาก็เคลื่อนออกไป hmm. อะไรเงี้ย hmm. หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ตกใจอะไรมากเลยถ้าเราจเจริญสติไว้แล้วเวลาฉุกเฉินมันจะเป็นอย่างนั้นแหละกระทั่งบางคนนะรถวัม้มรถหงายเนี่ยตัวขยับยังไงนะรู้เป็นช็อตช็อตชอ ต, ชอตไม่ตกใจหรอกแต่นะแต่ไม่รู้ว่ารู้ว่าตัวเองมีสติหรือเปล่ามีสิ <c oughs> ไม่มีคงสติแตกไปแล้วกรีดกรีดฉีราดอยู่ข้างกระดาษนเมอ์แล้วอีกข้อหนึ่งคือมีเจอสภาวะหนึ่งอะคะ่ะว่ากําลังจะนอนอะค่ะแล้ว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 เพ่งหรือตามดูบางทีก็สังเกตไหมใจเราไม่เหมือนเมื่อก่อนใจมันเบาขึ้นมารู้สึกไหมเบาขึ้นมันโปร่งนะมันสบายขึ้นนี่แหลฝึกไปดูของเราไปเรื่อยแต่ละวันนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราคอยรู้สึกคอยรู้คอยดูไปเรื่อยน ะ, ะดีที่ฝึกอยู่ ค, ค่ะ <30 S 2> ขอบพระคุณค่ะสาขอโอกาสค่ะหลวงพ่อตอนแรกจะส่งสองคนนะคะ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 โมโหลูกเนี่ยมันจะกลายเป็นค e ิดแล้วโมโหมันจะหายไปแต่ว่ามันกลายเป็นคิดแล้วมันก็หายไปเป็นทําอะไรก็ไม่รู้เลื่อยเปื่อยไปเลยค่ะอมันโมโหให้รู้ว่าโมโหมันไปคิดรู้ว่ามันไปคิดมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดเราโมโหลูกแล้วมันก็ต่อไปเรื่อยๆให้เราดูใจเราไว้นะอย่ามัวไปคิดเรื่องลูกให้ดูใจที่กําลังโมโหไม่ใช่ไปดูไปคิดถึงลูกและไอตอนที่เราโมโหแล้วรู้เรารู้ว่ามาเราโมโหแต่มันกลับไปคิด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 แล้วอย่างหนูนี่ไม่เคยปฏิบัติอะไรเลยนะคะแล้วอย่างหนูนี่จะหลิตนี่จะถูกกับอะไรอะคะดูจิตไปดูจิตไปเรื่อยๆ น, ะ, ะ, นะจิตมันโมโหก็รู้จิตมันเป็นยังไงก็รู้ดูไปเลรื่อยๆเอาละเหลืออีกหกนาทีนะคงไม่ได้ทั้งหมดหรอก๋ยวนี้ตามใจของหลวงพอ่อแล้วแต่ว่าใครจะได้สึกไม่มีใครได้ <c oughs> <c oughs> อา้าหมอลีส่งกันบ้าน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 แล้วไงอีกคือช่วงนี้มันก็ขึ้นขึ้ น, นลงลงนะครับโอพูดถูกเป็นไตรลักษณ์แล้วงไงอีกก็ดูเรื่อยๆฮะขณะนี้จิตเป็นไงจิตช่วงนี้กับ3ามเดือนก่อนต่างกันยังไงดูออกเปล่าไม่ไม่ค่อยได้ดูเท่าปีที่แล้วครับฮะคือมันเทียบได้ไม่ชัดเท่าปีก่อนๆเหรอช่วงนี้ดีกว่าช่วงก่อนนะจิตใจเริ่มมีเรี่ยวมีแรงเริ่มตั้งมั่นขึ้นมาแล้วใ้ดูเอานะอย่ขี้เกียจ น, นะ มีไหมใครที่สมควรคนนี้ให้ก็แล้วกันสงสารเนี่ยมีคะแนนสงสารด้วยนะอ่าคนนี้มาไกลจากอาดใหญ่การรักการค่ะโยมมาข้างได้มาจากอาดใหญ่ค่ะโยมก็เดิมจะมาสมัครสมรามาก่อนแล้วก็มาฟังซีดีของอาจารย์นะคะก็เลยสงสัยว่าอย่างเช่นเวลาเราโกรธเนี่ยเรารู้ว่าเราโกรธแล้วเราไม่ดีแล้วก็หายโกรธนี่คือเราไปโกรธไปหรือเปล่าคะอะไรนะ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 อ้าวเชิญกลับบ้าน